ปัญหาในชีวิตมากมายนะบางทีเราก็อยู่แบบเพลนเพนไปตกไปไวันวันพอนวันหนึ่งเจอปัญหาชีวิตเข้ามาทุกมากแกไม่ได้จะ <c oughs> มาภาวนาแต่ก็ลั บ, บากพอมันทุกขหนักออกใจก็รงไม่ได้ พวกเราก็อยามปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นนะเรอ้อยมันมีปัญหามากๆไปมาแก้ไปมาผ่านก็ไม่ได้นะถึงแม้แต่พนาพฤษนะบางคนเราก็ไม่แน่ใครธรรมชาติบ้างใครสังคม บ, บ้างนะก็มไม่แน่จะมีมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวรอให้ตอนที่มัน ตอนนี้ยังสมบวรณคพอมควเนี่ยต้องสุพพันไปก่อนมีวางหม้ยกมือได้ยังเนาะยกมือเป็นนะนยกทั้งละยก้ได้ยก้เป็นนะ สิี่ทานะยกให้ได้น ะ, ะรูปแบบเอาใหม่เอาตามรูปแบบไปขอนะรูปแบบรูปนะแบแบที่หลวพ่อเพียนท่านถวางไว้ดูการจาดตุ้มก็ะด้บยกเป็นจังหวนะเพื่อนมีจังหวะเพื่อนจังหวะยืด <c oughs> อันนี้คือรูปแบบรูปนะแบบ ไม่ต้องให้เราคิดหารูปแบบอื่นนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปแง่ว่าต้องไปดัดแปลงต้องไปแพรอะไรทำรูปแบบที่เป็นตำนานเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าหาื้างในรูปแบบคืออะไรแล้วเราก็จับมันได้เหมอกันไม่ใช่ทำกันทำดาเฉยๆเราฝึก ฝึกใจที่มันน่องลอยไม่มีที่อยู่ให้มันมีเครื่อมอยู่นะคือการ ม, มีจิตในการเคลื่อนไหวทัดใจนะมันไม่มีกรรมฐานใะไสักอย่างนะใจมันจะร่องรอยคิดนั่นคิดนี่นะถึงที่จะจงอยูเอารมเรานะก็มีกรรมฐานให้ใจสักอย่างไม่ตามนะ ไม่กินอื่นไม่างกันนะแต่กินแล้วกรรมฐานที่กรารเคลื่อนไหวมันก็ค่า ส, สิทิเ ด, ด, นะด็กมันค่าทชักทำได้ทุกวนะเป็นกิก็ทาได้อายุมากก็นดน้อยทาได้หดนะ่อนะกรรมฐานเคลไหวยิ้งงีว ง, ง่ว ง, งนะใบๆงีวง่วงทำแบบนี้ก็ดีนะอื่น นักกน่งสมาธิอาจจะรับได้ง่ายๆเลยนะนอกจากถ้านั่งเป็นนั่งเอาพักค่อนก็ได้นั่งเอาพักค่อนเอาความสงบเอาความมีสตินิดนึงให้มันมีกาลังขึ้นมาก็ได้็ต่จะนั่งไปง่วงนอนไปนะไม่เอานะนั่งไปเทิร์ไปไม่เอานะ ยกมือท่า น, ฉ น, า น, า น, นเฉพาะเพื่อนเหมือนกันนะบางทีเพิ่มก็ไปกับเอลงอเพิ่มก็ไม่เอาถ้าง่วงก็หาวิธีทำให้มันจระชับไปเทรหรือว่าเปลี่ยนหน้าเิลี่ยนตาเปลี่ยนหน้าการวางหน้าเปลี่ยนแบบไหนไม่ไเปลี่ย น, ห น, ยนแหวนโชวิธีก็แหวงโฉมนะ หน้าที่เป็นง่วงก็เป็นหนังตามจะดับแล้วก็คือมโตขึ้นแปลงสูก็เป็นอีกหน้าเครียดมันเครียดก็ยิ้มหนาเบื่อจะเป็นหน้ายิ้มบ้างเอาจริงเอาจริเกินไปก็ผ่อนคลายหน้ามันเฉยเยราก็ม่วงก็ปกขึ้นมานะเอารูปมาก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยน ใบหน้าเปลี่ยนท่าทางนะเพื่อให้มันเปลี่ยนใจให้รู้ึกตัวมากขึ้นบางีเปลี่ยนจังหวะลงหายใจมันง่วงมากบรงขนบนแผวมันจะตัดมันจะดีเขาเปลี่ยนลงหายใจให้มันรึกขึ้ น, นแบบนี้ก็้องเปลี่ยนเพื่อ เรื่อปกติเรื่อเปลี่ยนความโง่เป็นความรู้นี่คือความเปลี่ยนเปลี่ยนอกุศลเป็งมุ่งเป็นอกษษษุศลเปลี่ยนเป็นปติก็คืออกุศลอันนี้คือความเปลี่ยนเปลี่ยนควอยฟุ้งซานฟุ้งซานเป็นอกษษุศลเปลี่ยนความทุ้งซ่านเป็นความรู้สึกตัวน ดู ค, ความเพียบดูสดตัวแล้วดูสึดตัวต่อแ้วก็คือการรักษากุศลที่มันมีให้มันมีต่อเนื่องไปเรื่อยนะรักษาไว้ประคองไว้แต่ประคองแต่ไม่ได้จับจอบนะประคอแบบงแตบเนต่อนุถนกันช่นะ เป็นการปาษาที่เรียกว่าทำให้ตอนเนื่อเนี่ยเป็นการประคองประคองกุศลที่เกิดขึ้นให้มียิ่งขึ้นไปบางทีอายุมากอาจจะจับ จำผ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะอย่า ก, กังวลแค่รู้สึกกับการเคลื่อนไหวจนะท่าไหนก็ได้รู้สึกกับการเคลื่อนไหวนะแค่นี้อพอเคลื่อนรู้สึกจยุดรู้สึกนะเคลื่อนรู้สึกหยุดรู้สึกนะแต่ถ้าทาผ้าได้ตามแบบนี้ก็ดีนะ ไปมาเรียฟังในแพทย์เขามีศิษต์กแพทย์เขาบอกเข า, า, ร, ขาเรักษาโรคจิตกับเรคโรคจิตในารานได้เขาศึกษากระบวนการยกมือขึ้นไปแบบนี้เขาเรียนเขาบอกสัมผัสหน้าท้องมนก็มีอะไรเพือช่วยทนำะให้อะไรมันดีขึ้นเลือดเอดทีมาหน้าอกนั้นก็ช่วยให้อะไรมันดีขึ้น่าศึกษาไม่เข้าใจหรอกาษาศาสตร์ทางใบอก แต่แะจุดแต่ละจุดที่หลงพ่อเทียนคายอบมือมันช่วยได้ทั้งกายช่วยได้ทั้งใจนะตัดแต่งผ่านไม่ได้การอนะีรอบนึเขาพูดถึงนานร้อยปีกลวงพ่อเทียนที่ที่ต้นาจากคุทธทาสมาพวดมาดูได้นะในะยูทูบอ๋ออะไรไม่รู้มีคนส่งมาให้ดู <S <S นะบอกสัมผัสนะที่หน้าค้อ เป็นศูนย์รวมศูยนย์รวมในชะ่ไหมสมสมทบกับภาทีนก็มีนะที่เหนือไปดูอสองนิ้วเป็นศูนรวมของพลังชีวิตกับเรื่อนมาหนา้าอกก็เป็นศูยนย์รวมอนะไรต้นให้าาร่างกายมันก็ดีนะท่ามันก็ดีนะเมื่อวานมีการมีคนที่อยู่กับหลวงพ่อเทียนกัน โตท่าทางยกมือแบบนักเนะยกมือแบบนักเตะแบบไห น, นะนเป็นจุดศูนย์ท่าก็พยายามรักษาทา่ากันแต่เราพยายามเอาทั้งท่าเอาทั้งเนื้อหากั้งไนท่าเลยนะเนื้อหากั้ลงท่าที่การเคลื่อนไหวรู้สุกตัว กินท่ามันิดหน่อยเพราพะพระเจ้าที่ตรัสได้จรงว่าีิสูจนตั้ฑ์เธอจึงมีสติขณะที่พูดแข่งเข้าเหยื่อแข่งออกนะเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเดินจงกรมเนอเดินไปข้างหน้าเดินถอยไปข้างหลังเนี่ยมีสติได้มีคนจีื่อถามทำไมเรา ส, สอนเดินกลับไปกลับมาเดินแบบอื่นไม่ได้แล้ว แวลาคุณจริงก็สวดมนต์เขาจะเดินเป็นวงกลมเดินภาวนาเดินไปอวิตสพุทธอวิตสพุทธนะเดินทีดีดีระฆังน้อยๆไปเรื่อยสวดทีอ๊อกอ๊อกอ๊อกแีไม้เดินเป็นวงกลมด้ไหมได้เดินกลับไปกลับมาก็ได้เดินอยู่ที่จะได้ ก่จะเดินบนสุดตัวแต่ถ้าหาบางทีมันก็ช่วยได้เยอะนะบางทีเดินวนเดินต่อไปเรื่อยนะความคิดนะบางทีมันยาวมันตัดไม่ได้การกลับตัวมันก็ช่วยตัดความคิดได้ กะพิตาได้นะเราคบอกอย่าหลับตาไม่หยกกะพิตาเรอย่านี้นให้เปนจังหวะเราฝึกทั้นสอนเฝึกเปจังหวะมีเสื่อมีอยู่มีตั้งมียกอะไรย่านีมันช่วยเรื่อยนะมันช่วยเรื่อยในแง่ว่ามันจะตาจากความเคยสินเข่าที่เราเคลื่อไหแบบ ค่อนขต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติเป็นแบบเมันมันไม่มีจังวหวะดรือมีจังหวัดเลแบบ็กเนี่ยที่เราจะรู้ตัวในการเคลื่อนที่มันต่อเนื่องมันยากนะมันจะเข้าไปอยู่ความคิดบาง ท, ทีถ้าเข้าไปอยู่ตักายก็จะเพลินเลยนะเพลินเลยได้แค่สมาธิก็มีนะทำไมทำไมมีก็ไม่ได้นะบางทีเราเห็นคนเวลาแบบ รำที่เป็นข้าทางเขาก็จำข้าก็ได้นะรำแบบต่อเมื่อไปข้างต่อมันช้อยไหลไปเรื่อยๆคนคนนี้ก็ได้สมาธิในการรำนะหรืออย่างรำมวยเห็นไหมก็เหมือนกันนะและสมาธิถ้าเราเอาใจไ ป, จปติดต่ออ่กับข้ามาต่อไปเรื่อยๆนะนะได้แค่สมาธิแต่จังหวะที่มีการหยุดนะมันจะช่วยให้ เกิดสติไม่ชัดกว่าสมาธิจังหวะที่มันต่อเนื่องไหลไปเรื่อยๆเนะี่ยมันเลื่อนเรื่อยเกิดสมาธิมากกว่าสติเพราะงั้นะการที่มีจังหวะหยุดนะมันจะช่วยให้เราเกิดสติได้ามากขึ้นนอกจากการเคลื่อนที่ตามจากปกติไดว้วกนะ มนันช่วยมันมีจังหวะมันจะช่วยให้สติมันนั่ถ้าใครจะไปไป ย, กกยุบบนะย่งกับเทคนิครูปงแบ่ออื่นนะใครเท่นคโยคะอะไรต่างๆเขาพยายามแม้เมา ข, า, ขาจะมีจังหวะค่ข้างตอนนุ่นหรือว่าเาพยายามให้มีจังหวะถึงมันมีชัดขึ้นจังหวะเียวมันชะัดนิดนึงไปอจะไเรื่อยๆชัดมากมีจังห ว, งหวรู้สึกว่า ไม้รู้เปครั้งเป็นขณะไม่ใช่รู้ยาวไม่ใช่รู้ยาวนะเหมือนไล่ดีไรนะืออะไรสี่จังหวัดตอนนี้เริ่มแบบสิบสนะี่ท่าใหม่ๆก็รู้สิบสี่ั้งต่อไปก็รู้ประมาณยี่สิบแปดั้งนะนะงานกแรกก็รู้ตอนทดสอบเรื่อ ง, ต, องนะต่อไปก็รู้ตอนบึกด้วยแต่ก็ไม่ต้องรับนะไมตองเียนรับนะ ไปด้กี่ครั้งก็จำก็รำบันแต่มันจะรู้เป็นครั้งเป็นขณะเป็นขณะไปใดมันจะแบบใช่มันมีความมันมีความไม่ว่าอะไรมีความสดใหม่เรื่อยๆนะกพอมันรู้เป็นครั้งทกครั้งที่รู้ใหม่ใจมันตื่นทกครั้งที่รู้ใจนตื่นแม้แต่ความคิดยโฟแท้ก็ามา ใจมันรู้มันก็ตื่นเปนความรู้ใหม่มาสมาที่มันชวนให้คนดีอะไรเลยนะดีกับอารมณ์ไม่ต่างจากความคิดความคิดเหมือนกับเราดิีกับอารมณ์เหมือนเราดูหนังฟังเพละนะเวลาไปอินกับเรื่องนะจิตมันก็ดิอยู่กับเรื่องราวที่เราได้ดูได้ฟัง มันคือเป็นอย่างนั้นมันเป็นนึกว่าเป็นคล้ายนะๆากันนะคล้ายๆกันแต่มั น, นติดตานะแกดิ่งมีความสงบดิด่งมีความนี่กัจกิตมีความพุง่งสต่จิตที่มีสตินะนะจิตมันจะไม่ดิ่งลงไปมันตั้งมั่นแต่ไม่ดิ่งนะมันตั้งมั่นแบบ ผู้ดูหเห็นเป็นเียแค่อาการของกายแค่อาการของใจไม่มีเราเข้าไปอยู่ในาการนั้นเมื่อมีเราเข้าไปเมื่อไรไปเป็นเมื่อไหรมันก็ทะอนติดตัวออกมากนอีนะ่เหมือนกับที่ใช้มือมที่ไปถูกของร้อนถูกแก้วร้อนถูกไฟนะ มันดิ่งกับมาในทีไม่มีใครก็ถูกของร้อนจับก็ไปอยู่ไม่ยองปล่อยไม่มีนะจิต ท, ที่มีสติก็เหมือนกันเมื่อจับถูกของร้อนมันกลับมาัทางเองสติเหมือนกันเมื่อมันดีรู้ว่ามันมีเข้าไปเสพอารมณนะ์อ่ะจะบวกจะลบอะไรแล้วแต่มันจะกลับมาในะนั้นคือปฏิกิริยาของจิตที่มีสตินะ ก็ขึ้นนัเมาเดินต้งกลมเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบบ้นะเปี่ยนบางคนก็ินแวนะอยากเดินนะเดินตั้งใจเดินนักอั้งใจเด เดินด้วยกันต่อโลกต่างบนะเป็นกลบกันไม่เป็นไรอย่างนี้กตขาผมก็ส้มก็เหมือนขาผมก็ได้จะเดินเตะเอ็นกลมก่อนได้ไหม5นาทีก่อนกลับอ่า5นาทีนะเดินเปินกลมปฏิบัติกูชาไม่ต้องการบูชาก็ได้เดินกับแถวรอกเพื่อนๆ ขอาพ่อแม่แหละนะอ่ะเอาเดยนะเดิเดนก